เจรพรท่านผู้มีเจตเมตตากรรณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามกรักดาคมพุทธศักดิ์ราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้าง บุญบรารมีให้แก่จิตใจให้แก่ชีวิตที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพื่อชีวิตในภายภาคหน้าจะได้เป็นชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีความเจริญมากกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำในปัจจุบันเพราะผลนั้นต้องเกิดจากเหตุผลที่พวกเราปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นพบชาติที่ดีความสุขที่มีมากขึ้นความเจริญที่มีมากขึ้น ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสติปัญญาความรู้ความฉลาดจะมีมากขึ้นได้ก็เกิดจากเหตุคือการกระทำไม่ได้เกิดจากความปรารถนาหรือการอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะการขอไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผล ที่เราต้องการกันสิ่งที่เราต้องการนั้นเกิดจากการกระทําของเราเองการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี่แหละคือเป็นผู้สร้างผลต่างๆให้กับเราไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลไม่ดีก็ตามก็อยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี้เองไม่ได้เกิดจากผู้อื่นไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากพระอริยสงสารุบไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เกิดจากการกระทาของเรา ถ้าเราจะอธิษฐานขอให้เราอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลนั้นเกิดจากเหตุถ้าเราอธิษฐานที่เหตุเราก็จะได้ผลด้วยเช่นอธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆขอให้ได้สร้างบุญบา ร, รมีไปทุกวันอย่างนี้ผลที่จะตามมา ที่เราต้องการก็จะตามมาเองแต่อย่าไปอธิษฐานขอผลคือความสุขความเจริญขอให้เราอธิษฐานอยู่ที่การทำความดีละบาปชำรนะกายวาจาใจของเราให้สะอาดเพราะความจริงคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจ ไม่ได้แปลว่าขอแต่ภาษาไทยเราเราเอาคำอธิษฐานนี้มาแปลว่าขอ mm. เช่นเราอยากจะได้อะไร mm. เราก็จุดธูกเทียนแล้วก็อธิษฐานจิตขอจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ได้นั่นให้ได้นี่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ แต่การขอแบบนี้อธิษฐานแบบนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราปรารถนากันถ้าบาังเอิญเราได้สิ่งที่เราปรารถนาก็ไม่ได้เป็นเพราะการอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราในอดีตที่ผ่านมาเพิ่งเราจะอธิษฐาน รู้ไหมอธิษฐานก็ตามถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดนะเพราะมันมีเหตุคือการกระทาของเราในอดีตนั่นเองและเป็นการกระทาได้สองอย่างการกระทาดีหรือไม่ดีผลก็จะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีตามมาดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราได้ทำ กรรมาแล้วในอดีตทั้งดีและชั่วที่ยังไม่ได้ส่งผลและอาจจะส่งผลให้กับเราในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราทําความดีแต่เราได้รับผลไม่ดีเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าการกระทําความดีของเราในวันนี้ ยังไม่ออกดอกออกผลผลที่เราได้รับคือผลที่ไม่ดีในวันนี้นั้นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำไม่ดีในอดีตที่ผ่านมา mm hmm. เช่นเดียวกับผลที่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดจากการกระทำในอดีตในวันนี้เราไม่ได้ทำความดีเราทำบา แต่เรากลับได้รับผลดีก็อย่าไปคิดว่าเป็นผลจากการกระทำบาปเพราะผลการกระทำบาปที่เราทำในวันนี้ยังไม่ส่งผลให้เราเท่านั้นเองแต่ขอให้เราเชื่อได้อย่างแน่ใจเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่เวลาที่จะได้ผลนั้นมันไม่แน่นอนบางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ช้าเหมือนต้นไม้เหมือนผลไม้บางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็วบางชนิดก็ออกผลช้าต้องใช้เวลาแต่เราปลูกต้นไม้ชนิดใดไว้เราก็ต้องได้ต้นไม้ชนิดนั้น เช่นเราปลูกกล้วยเราก็ต้องได้กล้วยปลูกทุเรียนเราก็ต้องได้ทุเรียนไม่ใช่ว่าปลูกกล้วยแล้วได้ทุเรียนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับการกระทำทำบาปแล้วจะได้ความสุขความเจริญนั้นเป็นไปไม่ได้ทำบุญทำความดีแล้วจะได้ความทุกข์ได้ความเสืยอเสียเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดหลัก ของกฎแห่งกรรมนี้กฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามก็จะไม่สามารถมาลบล้างกฎแห่งกรรมได้ทำดีแล้วจะไปลบล้างผลดีที่จะตามมาก็ไม่ได้ทำบาปทำชั่วแล้ว จะไปลบล้างผลชั่วที่จะตามมาก็ไม่ได้หรือเมื่อเกิดผลชั่วขึ้นมาแล้วจะให้มันหายไปเองก็ไม่ได้จะไปบังคับให้มันหายไปก็ไม่ได้ต้องให้มันหมดไปเองเช่นเดียวกับผลดีการกระทำต่างๆนั้นมีผลและผลเมื่อเขาได้แสดงแล้วเขาก็จะหมดไป เหมือนกับผลไม้เวลามันออกมาแล้วมันก็หมดฤดูมันก็จะไม่ออกออกมาอีกจนกว่าจะถึงฤดูใหม่กรรมของเราหรือผลของกรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อทำไปแล้วมันก็มีวันหมดได้บุญก็เช่นเดียวกันเมื่อทำไปแล้วก็มีวันหมดได้ เราจึงต้องทำบุญกันอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนเติมน้ำมันรถยนต์น้ำมันรถยนต์นี้ก็มีวันหมดได้ถ้าเราขับรถอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เดินทางอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องแวะเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อย และสถานีบริการของชีวิตหรือของใจของเราก็คือภพของมนุษย์นี้เองภพมนุษย์นี้เป็นภพเดียวที่จะสามารถเติมบุญหรือเติมบาปได้และก็เป็นภพที่รับผลบุญและรับผลบาปด้วย <c oughs> ต่างกับภพบอื่นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการรับผลของบาป หรือรับผลของบุญเช่นถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะต้องรับผลของบาปจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญมากเท่ากับภพของมนุษย์แต่จะทําบาปมากกว่าภพของมนุษย์ถ้าไปตกนรกก็จะไม่มีโอกาสได้ ท, าบบทาากกํ า, บ, า, าทบุญเลยมีแต่จะรับผลของบาปโดยถ่ายเดียว ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็จะได้รับผลของบุญโดยถ่ายเดียวไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ทำบุญนี่คือภพชาติต่างๆมีภพของมนุษย์นี่แหละที่เราทำบุญได้ทุกวันทำบาปได้ทุกวันและรับผลบุญรับผลบาป ท, ที่เราได้เคยทามาได้ตลอดเวลา ดังนั้นเวลาชีวิตของเรามีความทุกข์มีความตกต่ํามีเคราะห์กรรมต่างๆเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราไม่มีทางที่เราจะไปลบล้างกําจัดให้มันหายไปได้มีแต่จะปล่อยให้มันหมดไปเองเหมือนฝนที่ตกลงมา เวลาฝนตกเราไปห้ามหรือประยุด์ฝนไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปวิธีที่จะรับข้อกรรมที่ดีที่สุดก็คือทาใจทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้นิ่งเฉยอย่าไปต่อสู้กับวิบากกรรมอย่าไปอยากให้มันหายไป อย่าไปหาวิธีต่างๆการกระทำต่างๆที่ไม่ถูกต้องเป็นการดับเพราะจะเป็นการสร้างกรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปวิธีเดียวก็คือทำใจให้นิ่งๆทำใจให้สงบแล้วก็ยอมรับผลที่กำลังเกิดขึ้นเวลาฝนตกเราก็หาที่หลบแดดเราก็หาที่หลบฝน เข้ามาอยู่ในศาลาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ทำใจให้นิ่งรอให้ฝนหยุดเมื่อฝนหยุดแล้วเราก็อยากจะไปทำอะไรเราก็ไปทำได้ฉันใดเวลาเราอยู่ในช่วงของวิบากรรมเคอะกรรมชีวิตตกต่ำก็ขอให้เราทำใจให้สงบให้นิ่ง ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปร่งว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหรือจะไปมองในแง่ดีก็ได้ว่าว่ามันไม่ดิมันไม่เวลวร้ายไปกว่านี้มันไม่ตกต่ำไปกว่านี้ ขณะนี้เรายังอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังดีที่ไม่ตายไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะนิ่งได้จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจนี้เกิดจากความอยากให้วิบากกรรมนี้มันหมดไปเร็วๆให้มันหายไปเร็วๆ หรือให้เราหนีจากวิบากกรรมนี้ไปความอยากนี้แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจเป็นตัวที่ร้ายกาศกว่าข้อกรรมที่เรากำลังรับอยู่ข้อกรรมนี้มันก็เป็นเหมือนฝนตกนี่เองถ้าเรายอมรับฝนได้เราอยู่บ้านเราไม่ต้องไปไหนเราก็ไม่เดือดร้อน เราก็รอให้ฝนหยุดเมื่อหยุดแล้วเราอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำได้แต่ถ้าใจเราร้อนเราอยากจะออกไปทำธุระอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปเที่ยวแต่ฝนตกหนักแต่เราก็ไม่ยอมอยู่กับบ้านฟื้นขับรถออกไปข้างนอกก็อาจจะไปประสบอุบัติเหตุหรือถ้าไปเจอฝนตกมากๆน้าก็อาจจะท่วมรถ ก็ได้ก็จะเกิดความเสียหายมากกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆ mm hmm. เช่นเดียวกับเวลาที่เรามีข้อกรรมต่างๆแล้วเราพยายามที่จะแก้ไขข้อกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. เช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีหรือไปพูดปดไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น mm hmm. เพื่อที่จะ แก้เคาะกรรมของเรายกชีวิตของเราให้พ้นจากเคาะกรรมต่างๆทําอย่างนี้แทนที่จะเป็นการแก้กับการเป็นการผูกเป็นการสร้างเคาะกรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเวลาที่เราถูกผู้อื่นเขาเบียดเบียนถูกเขากลั่นแกล้งแล้วเราเกิดความโกรธแค้น อยากที่จะทําร้ายชีวิตเขาเราก็ไปฆ่าเขาอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะหมดข้อกรรมไปเรากลับสร้างข้อกรรมขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรายอมอยู่เฉยๆเขาทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปถ้าเราหลบได้เราก็หลบถ้าเราหลีกได้เราก็หลีกถ้าหนีไม่พ้นเราก็ทําใจ คิดเสียว่ามันไม่รุนแรงไปกว่านี้เช่นถ้าเขาทุบตีเราก็คิดว่าเขาเขาตีเราเพียงครั้งเดียวเขาตีเราเขาไม่ตีเราหลายครั้งถ้าเขาทุบตีเราหลายครั้งก็ให้คิดว่าเขายังไม่ฆ่าเราอย่างนี้เป็นต้นให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทำใจให้นิ่งเฉยได้ไม่ไปสร้าง กรรมอันใหม่ขึ้นมาเพราะถ้าเราไปตอบโต้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราเพิ่มขึ้นไปเขาตีเราเราไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าถูกจับก็ต้องไปติดทุกติดกรามพอตายไปพบหน้าก็จะเจอเขาอีกเขาก็จะตามมาฆ่าเรา นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางที่จะหนีจากกรรมของเราไปได้ไม่ว่าดีหรือชั่วมีทางเดียวเท่านั้นก็คือปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปอย่าไปสร้างกรรมมันใหม่ขึ้นมาเราต่อไปกรรมต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆหรือถ้าอยากจะให้ หนีพ้นจากกรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีลหรือออกบวชเป็นนักบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจนจิตบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะเป็นการที่จะหนีพ้นจากกรรมได้ถ้าไปถึงพระนิพพานแล้วกรรมก็จะตามไปไม่ได้ เพราะเราจะไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีร่างกายไม่มีพบชาติที่จะให้กรรมวิบากนั้นปรากฏขึ้นได้นั่นเองนี่คือทางเดียวเท่านั้นของการที่จะหนีพ้นจากกรรมก็คือต้องบรรลุมรรคผลนิพายตั้งแต่ขั้นโสดาไปก็จะหนีพ้นกรรมบางส่วนได้ เช่นถ้าเกิดเป็นพระสโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ในภพของมนุษย์นี้ก็ยังจะต้องใช้กรรมเก่าอยู่ถ้ามีศัตรูคู่อริที่เคยจองเวรจองกรรมกันมาเจอเข้า เขาก็ยังสามารถที่จะมาเบียดเบียนมาทําร้ายพระโสดาบันได้แต่พระโสดาบันนี้จะไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่ผิดศีลคือพระโสดาบันรู้แล้วว่าการทำผิดศีลนี้เป็นการสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่เป็นการสะเดาะเคาะหรือลบล้างกรรม รู้ว่ากรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องรับจะต้องใช้ก็ยอมใช้ยอมอดทนใช้ไปแต่ถ้าแต่จะไม่ใช่วิธีการกระทาที่ผิดศีลที่มาต่อสู้มาลบล้างข้อกรรมที่กำลังเกิดขึ้นเช่นจะไม่ไปฆ่าผู้ที่เขามาเบียดเบียนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตน นี่คือจิตของพระอริยเจ้าจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปท่านจะไม่สร้างกรรมเพิ่มขึ้นอีกต่อไปจะทำแต่บุญอย่างเดียวจะสร้างแต่บุญอย่างเดียวเพื่อจะได้ยกจิตให้เจริญสูงขึ้นไปขั้นที่สองก็จะเป็นพัสกิดาคามีขั้นนี้ก็จะเหลือภพของมนุษย์เพียงภพเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพียงอีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากแล้วก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าได้ถึถงขั้นที่สามก็จะพ้นจากการต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนั้นกรรมก็จะตามขั้นที่สามนี้ไปไม่ได้พระอนาคามีจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจะไม่มา รับเคราะกรรมต่างๆอีกต่อไปนี่คือการชดใช้กรรมหรือการหมดกรรมอย่างถาวรต้องหมดด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่เป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางที่จะนำพาสัตว์โลก ให้หลุดพ้นจากข้อกรรมทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นอยู่ที่ทาสามประการนี้คือทานสิงและภาวนาทานก็คือการให้อย่างที่ญาติโยมทั้งหลายมาทำกันในวันนี้ญาติโยมได้นําเมาข้าวของต่างๆ อาหารขาวหวานจะตุปปั จ, จัจไถยทยานเงินทองมาถวายพระถวายวัดนี่เรียกว่าเป็นการให้เป็นทานซึ่งควรจะทำอยู่เรื่อยๆและทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดก็คือให้หมดเลยเหมือนกับพระสาวกทั้งหลาย ที่ได้ทำกันตอนต้นท่านก็ทำบุญให้ทานตักบาตรมาวัดอย่างที่พวกเราทำกันต่อมาท่านก็มีจิตศรัทธาเพิ่มมากขึ้นท่านก็เลยให้หมดเลยมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ให้หมดสละหมดแล้วก็ออกบวชเป็นพระมารักษาศีลอย่างเต็มที่สมัยเป็นคารวะก็รักษาศีลห้า รักษาศีลแแต่เนื่องจากอยากที่จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมอยากหลุดพ้นจากพ่อกรรมต่างๆก็เลยเกิดศรัทธาที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่จนหมดไปแล้วก็ออกบวชรักษาศีล227ข้อ แล้วก็จเจริญภาวนาจเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบด้วยวิธีการต่งางๆการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการทำใจให้แทสงบได้ระดับหนึ่งถ้าเรายังไม่สามารถนั่งสมาธิได้เพราะใจเราคิดมากฟุ้งซ่านก็เปิดฟังธรรมะไปก่อน ฟังธรรมะแล้วตั้งใจฟังไปเรื่อยๆใจก็จะสะงบลงแล้วต่อไปเราก็จะสามารถนั่งทำสมาธิได้พอใจหายฟุ้งซ่านแล้วจะดูลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะบริกรรมพุทโธก็จะอยู่กับการบริกรรมพุทโธถ้าทําอย่างนี้ได้ใจก็จะ รวมลงเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสบายความคิดต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวบางครั้งร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ใจอยู่ตามลาพังมีความสุขอย่างมากในขณะนั้นเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์หรือได้ไปพระนิพพาน เพียงแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็ต้องถอนออกมาเพราะถอนออกมาก็เหมือนกับตกจากสวรรค์เหมือนกับออกมาจากนิพพานแล้วก็กลับมาอยู่โลกของมนุษย์ต่อแล้วก็เริ่มมีเริ่มคิดเริ่มนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีความโลภความโกรธความหลงตามมา ตอนนี้ก็ต้องเป็นตอนที่ควรจะเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาคือต้องสอนใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธด้วยการสอนให้ใจรู้ว่าสิ่งที่ใจโลภนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ให้ความสุขกับใจเป็นพิษเป็นภัยกับใจมากกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ เป็นเหมือนยาพิษไม่ใช่เป็นยาบำรุงถ้าได้มาแล้วจะต้องสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจเพราะสิ่งที่ได้มานี้จะไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไม่คงเส้นคงวาจะไม่เป็นเหมือนเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ร่างกายนี้มา ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กก็จะเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนแก่จากคนแก่ก็จะเป็นคนตายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือผลเสียที่จะตามมาถ้าเราได้ร่างกายร่างกายนี้จะไม่หนุ่มไม่สาวไปตลอดจะไม่มีกําลังวังชาแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปตลอด ต้องมีวันแก่ลงไปจะต้องมีวันที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและก็จะต้องมีวันตายดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปเกิดเพาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นการสอนใจให้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นอย่างนี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราได้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นคู่ครองเราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายของคู่ครองของเราเพราะคู่ครองของเราเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปวันที่เราได้มาเขาหน้าตาดีแต่พออยู่ไปนานๆครับหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนไปจะแก่ลงไป แล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปเวลาเขาแก่เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่มีคู่ครองเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของคู่ครองของเรานี่คือการสอนใจ ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาแล้วเวลาเกิดความอยากจะมีคู่ครองเราก็จะรู้ทันทีว่ามีไม่ได้มีไปทำไมมีแล้วก็เท่ากับมีความทุกข์เพราะเราจะต้องทุกขกับความแก่ของคู่ครองความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของคู่ครองนี่คือการสอนใจพยายามสอนให้มองให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแทนแน่นอนไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากเขาไปเวลาที่จากกันนี้มันทุกข์ทรมานขนาดไหนลองคิดดูเอานี่คือการเจริญวิปัสสนาสอนใจให้รู้ทัน สภาพธรรมชาติของสิ่ ง, งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและมีการเสื่อมมีการหมดไป เ, เวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่เวลาเสียไปก็ทุกข์ทรมานใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ บางครั้งก็ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายไปเพราะหลงไปอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พอได้มาแล้วก็ยึดติดอยากจะให้อยู่ไปนานๆอยากจะให้อยู่กับตนไปตลอดพอเขาจากเราไปก็เศร้าโศกเสียใจอยู่ไม่ได้เพราะไม่รู้จะอยู่กับอะไร เคยอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขตอนนี้ลาบก็ไม่มียศก็ไม่มีสรรเสริญก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ก็ไม่อยากจะอยู่ก็ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปนี่แลคือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่น่าได้มาเป็นสมบัติได้มาครอบครอง ถ้าเรามีปัญญาสอนใจเรื่อยๆใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายก็จะไม่ยึดไม่ติดกับลาบยศสารเสริญสุดใจของเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีลาบยศสารเสริญสุดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ด้วยลาบยศสารเสริญสุดแต่ท่านอยู่ด้วยปัญญาท่านอยู่ด้วยสมาธิจิตของท่านสงบ จิตที่สงบนี้แลเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่ถาวร น, นี่คือความสุขที่พวกเราควรที่จะไขว่คว้ากันสแสวงหากันด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนานี่เองถ้าเราบำเพ็ญทานศีลภาวนา ได้ครบบริบูรณ์เราก็จะได้มรรคผลนิพพานได้การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผลเป็นรางวัลจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อสร้างประโยชน์สุขที่แท้จริงให้แก่ชีวิตนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณา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 ทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเทอ